ขณะนี้พวกเรามาปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมคือการเจริญสติสติก็ไปตั้งไว้ที่กายเป็นเมืองต้นแต่มันก็ไปตั้งไว้ที่จิต ด, ด้วยทำอย่างเดียวมันวควบคุมหลายอย่างพระากายจิตที่เป็นส่วนให ญ, ใหญ่เป็นกองใหญ่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 การพบเห็นเข้าไปบอกเข้าไปพูดไม่ใช่คำพูดเห็นความรู้สึกภายในมันเป็นสูตรจนลื้อถอนตนที่มีอยู่ในกายมีแต่เห็นเรื่องของกายเป็นการเห็นไม่ได้เข้าไปเป็นเช่นพระเรีย บ, บุคคลชนต้น ลือถอนกายเรียกว่าสักกายทิฏฐิไม่มีตนอยู่ในกายมีแต่เห็นเป็นอาการต่งตางๆลือถอนตนออกไปเสียได้เรียกว่าสักกายทิฏฐิไม่มีตนอยู่ในกายเห็นความร้อนความหนาวความหิวความปวดเป็นอาการเห็นเห็นมันร้อนเห็นมันหนาวเห็นมันปวดเห็นมันหิว ไม่เอามาเป็นสุขไม่เอามาเป็นทุกข์ในเรื่องของกายไม่เอาชีวิตไปห้อยไปแขวนไว้กับกายเห็นเป็นปัญญาเป็นปัญญาแล้วเอาว่าที่เคยสุขเคยทุกข์เรื่องของกายเอามาเป็นปัญญาเป็นปัญญาพลอกจากกายได้เกี่ยวข้องกับกายถูกต้องตามความเป็นจริง แล้วมันก็มีสูตรมันร้อนมันก็หนาวมันร้อ น, นก็อาบน้ำมันหนาวก็ห่มผ้าไม่ใช่เป็นตนเป็นปัญญาที่เขาไปเกี่ยวข้องอย่างถูกต้องหิื่อไปกินข้าวปวดเมื่อยก็พักผ่อนในรูปกองกายของรูป <c oughs> เห็นในความเป็นจริง <c oughs> เห็นในความไม่เที่ยง <c oughs> เห็นในความไม่ใช่ตัวตน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 ออกเสียใจเดียวอกเดียใจของอย่างเดียวเป็นสุขของอย่างเดียวเป็นทุกข์ของอย่างเดียวรักของอย่างเดียวชังของอย่างเดียวชอบของอย่างเดียวไม่ชอบในลักษณะของเวทนามสุขเป็นทุกข์เราเห็นเห็นแจง้งจนตอบออกไปได้เลยเวทนาก็าัอกว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์ปุกลตัวตนเราเขาด่านนี้ก็กักเราไว้อยู่แล้วกัน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 ใจคิดขึ้นมาก็หอบิไปได้คิดสุขก็สุขคิดทุกข์ก็ทุกข์คิดลักก็ลักคิดหลงก็หลงคิดโกรธก็โกรธก็หลงไปกับความคิดหมาลักษณะความคิดความคิดที่เกิดขึ้นกับจิตเนี่ยความคิดที่มันเกิดขึ้นกับจิตมันก็คิดได้แต่พื่อแต่เพือมันไหลมันไหลอยู่เหมือนกับไม้ที่หลวงพ่อถืออยู่ไลยพอมีอะไรสัมผัสกัาไปมันก็เจ็บเรา มันมีภาวะที่เก็บมันมีคลื่นเมื่อมีกระทบก่าไฟกลายเป็นเสียงจิตก็มันกันมีอะไรมาสัมผัสก็ไฟกันเป็นสุขเป็นทุกข์พรความคิดคิดไปต่างๆนาะนาะไม่เป็นสุขเป็นทุกข์เพะคิดไปไม่ใช่ตัวใช่ตนอยู่ตรงนั้นที่เห็นเห็นจิตที่มันคิดที่มั น, มนปรุงปรุงแต่งแต่งไป ตัวหลงพอให้เกิดวัวคิดเป็นปี่เป็นขุยเข้าไปพอมาเห็นเขาโอโธแต่ก่อนเราไม่เคยเห็นความคิดตัวเองเรียกว่าตัวว่าตนไปทั้งหมดสิ่งไหนที่เกิดจากความคิดถือว่าตนคิดเกิดมาเราก็เป็นไปต่างๆตามอาการที่มันเกิดขึ้นกับจิต เห็นแล้วก็เป็นปัญญาเอาความคิดเห็นความคิดเนี่ยเห็นความคิดเห็นที่เกิดขึ้นกับจิตเนี่ยมันก็เป็นปัญญาจนตอบได้แล้วจิต ก, ก็สึกษาจิตไม่ใช่สัตวบุคคลตัวตนเราเขามันกักไม่ได้แล้วบัดนี้ผ่านถ้าจะเป็นด่านมันกักมันขวงมันกัน้นทําให้สยบซําให้อยู่ผู้ที่จเจริญสติเนี่ย หรือว่าผ่านได้เหมือนด่านที่มันกักเราเดินทางไปโน่นไปนี้เราผ่านได้เราไม่ความถูกต้องเราชอบทำํำโดยเพราะความรู้สึกตัวน่ะมันทําให้เกิดการผ่านได้อย่างสะดวกสบายตลอดทั้งไปเห็นสิ่งที่ครอบความคิดเห็นความง่วงเอาเหานอนความลังเลสงสัยความคิดปุ่งสาน อั จ, จะบาตอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นหวงกันเป็นภูเขาโลกแรกผู้ปฏิบัติบัดทย่อมนี้ไม่พ้นเป็นความง่วงเหงาหอนอนความคิดมั่นเน่ยพระพุทธเจ้าก็เดินไปทางนี้แหละแต่ใครเห็นความง่วงความอังเลสงสัยเห็นความคิดที่มันเกิดขึ้นในเวลาเราเจริญสติทําให้เราหลงไป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 เห็นเรื่องเก่าเห็นมือที่มันเคลื่อนไหวไปมาเห็นกายเห็นเวทนาเห็นความคิดเห็นสิ่งที่โครอบามจิตใจเป็นความสุขเป็นความทุกข์บ้างหรือว่าธรรมทั้งหลายทำทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนทำก็คือการสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับจิตเป็นกุศลเป็นอกุศลกุศลก็คือความหลงในความสุขหลงในความรู้หลงในความคิด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 ย่ำคิดเรื่องเก่าให้มันหลง ก, กลายเป็นความหลงที่เป็นไปเปื่อไปเพื่อนเราติดไปวันนี้เรามีสติมันไม่เป็นเหมือนเมื่อโกดมันหลงก็เห็นความหลงเห็นความหลงบ่อยๆอการเห็นสิ่งเก่าบ่อยๆที่มันไม่ใช่ที่เรื่องการกระทำของเราก็เกิดปัญญาตรงนั้นด้วยจนเห็น เห็นเห็นกายที่มันเคลื่อนมันไหวอยู่เนี่ยเห็นไปเห็นมาดูไปดูมาเห็นลักษณะที่มันเคลื่อนไหวเป็นเดินเป็นคิดเป็นสุกเป็นทุกข์เป็นร้อนเป็นหนาวเป็นอยู่ด้วยกันมันก็เห็นเป็นรูปประทุมเห็นเป็นนามธรรมพอเห็นเป็นรูปเห็นเป็นนามมันก็สโลกให้ เป็นกองลูกเป็นกองนามแต่ก่อนเราเรียกว่าเวทนาเรียกว่าสุขเรียกว่าทุกข์ทุกกายทุกจิตสุขกายสุขจิตใจร้อนรนหนาวหนาวหิวปวดเมื่อยพอ่าเห็นเป็นกองลูกกองนามก็เห็นเป็นอาการเห็นเป็นอาการของกองลูกเห็นเป็นอาการของกองนาม ไม่ใช่มีตัวมีตนอยู่ตรงนั้นสรูปให้เลยความร้อนความหนาวความหิวความปวดความมื่อยเป็นอาการของรูปแต่รูปมันไม่มีอาการมันก็เป็นอันตรายก็กลายเป็นปัญญาเอามาเป็นปัญญาไม่ใช่เอาเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะเรื่องของกายไม่ใช่เป็นสุขเพราะเรื่องของกิจกายก็คือของกองรูปความรู้รสึกคิดนึกต่างๆเป็นกองนาม ความหลงความโกรธความลอะความชังที่ตกกังวลเศร้าหมองมันเป็นอาการของนามเป็นอาการของจิตใจจิตใจมันก็ต้องมีอาการเช่นนั้นอาการที่มันเกิดขึ้นกับรูปอาการที่มันเกิดขึ้นกับนามไม่มากมายหลายอย่างเราก็สรูปประเป็นอาการไม่มีตัวมีตนอยู่ตรงนั้น แก่ก็หมดเหนื่อหมดตัวอยู่กับอาการต่างๆท่านหลงกว่ากูหลงท้อสุกกูสุกกูทุกข์กูร้อนกูหนาวกูโกรกกูรักกูชังทําตามอาการก็ถูกหลอกคนถูกความโกรธหลอกถูกความโลภหลอกถูกความหลงหลอกถูกความรักความชังถูกการปรุงแต่งแต่งหลอกแบบนี้พอเห็นอาการก็หยุดเป็นปัญญาเป็นปัญญา เกี่ยวข้องกับรูปเกี่ยวข้องกับนามเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นกับรูปแต่มันไม่มีอาการมันก็อันตรายก็ถือว่าเป็นปัญญาขอพุนเขาที่เขาล้นเขาหนาวขอพูนเขาที่เขาปวดเขาเมื่อยขอบพูนเขาที่เขาลูกจากนิ้วในของรูปของนามก็เป็นเช่นนั้นมันเป็นตกอยู่ในสภาพไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนตัวข อ, ของมันก็ไม่ใช่ตัวของมัน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 พาให้ทำชั่วขาให้ทำผิดศีลผิดธรรมเสียเวลาเสเวลาเวลเบียดเบียนตนเองเบียดเวียนคนอื่นเป็นทุกข์เพราะกองลูกกองน้ำเป็นสุขเพราะกองลูกกองน้ำบันทีเราก็หลงหลงเอามาเป็นสุขหลงเอามาเป็นทุกข์หาความสุขความทุกข์จากกองลูกกองน้ำไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่ปัญญาความสุขมันไม่ใช่อยู่ในลักษณะแบบนี้ เรื่องที่เกิดขึ้นกับรูปกับนามเห็นแจ้งเป็นปัญญานะรักษาเอารูปเอานามมาทําความดีเอารูปเอานามมาละความชั่วเอารูปเอานามไปทําความดีความดีที่อาศัยรูปสนามเนี่ทําดีได้เยอะทําดีได้มากไม่เสียเวลาที่จะเอารูปเอานามไปทําชั่วเคยสูบบุหรีเคยกินเหล้าเคยโกรธเคยโลภเคยห ล, ลงเคยวิตกกังวลหมดไป หมดไปแล้ววะ น, นะเหลือแต่รูปที่เอามาทําความดีได้สําเร็จเอารูปมาละความชั่วได้สําเร็จเอานามมาทําความดีได้สําเร็จเอานามมาละความชั่วได้สําเร็จก็กลายเป็นประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์นชนท่านมันไปทางนี้นะปฏิบัติตธรรมไม่ใช่ไปเห็นดิมิตเห็นสีเห็นแสงเห็นความสงบที่มันไปอยู่ที่มัน ทับเอาไว้ไม่ใช่แบบนั้นสงบแบบศิลาทับย้าอันนั้นไม่ใช่ออออกจากความสงบย้ามันก็เกิดขึ้นมาอีกการปฏิบัติรรมันเป็นการเห็นแจ้งเป็นการเห็นแจ้งนี่เราก็เห็นตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเห็นกายเนี่ยเห็นเวทนาเห็นความคิดเห็นสิ่งเหล่านี้หลยมันเกิดขึ้นที่ไรก็เห็นเห็นแจ้ง เห็นแล้วเอาไว้ที่หลังเอาไว้ข้างหลังเอาไว้ข้างหลังเรื่อยๆไปความหลงเกิดขึ้นกับรูปแล้วเอาว่ารูป แ, แล้วมันก็จบไปแล้วอะไรที่มันเกิดขึ้นกับรูปกับนามกับกายกับจิตใจเราแล้วตัวสติเป็นตัวเฉลยไปเรื่อยๆไปได้หลักฐานของรูปของนามรูปนามนมันบอกมันบอกมัคืออะไรมันเปิดตัว กองรูปมันก็เปิดตัวให้รูปให้เห็นเห็นหมดเห็นครบเห็นทั่วดไม่มีตรงไหนปิดบางอําพางกองนามก็เปิดตัวให้เราได้รู้ได้เห็นความไม่เที่ยงควาเป็นทุกข์อย่างไรแต่ค่นเราเคยเป็นสุขเคยเป็นทุกข์เพราะความไม่เที่ยงสิ่งความไม่เที่ยงเกิดขึ้นเป็นทุกข์ร้องโฮมร้องไห้เสียอกเสียใจความไม่ใช่ตัวตนก็พาเราเป็นทุกข์ ความเป็นท e. да, no ุกข์ก็พาให้เราเป็นทุกข์ความเป็นทุกข์สร้างความทุกข์ความไม่เที่ยงก็สร้างความไม่เที่ยงกลัวความไม่ใช่ตัวตนก็ไปเอามาบดนี้มันเป็นปัญญาเห็นความไม่เที่ยงที่มันแสดงที่ใดก็เป็นปัญญารู้แล้วเห็นความเป็นทุกข์ก็เป็นปัญญาเห็นความไม่ใช่ตัวตนก็เป็นปัญญา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 แต่สิ่งที่มันพัฒนาได้คือสติคือปัญญาที่ไปเห็นเขาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่นําให้ถึงมรรคผลในพรานดังที่เราสวดทำวัดเชา้าทำวัดเจนสัพเทสังขาราอนิจาติยธาปัญญาจะปัจสติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยง เมื่อนานย่อมเหนื่อยในในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพานอันเป็นธรรมหมดจดการเห็นความไม่เที่ยงไม่ใช่เล็กน้อยทำให้หลุดพ้นทำให้ไม่พบชาติตรงนี้ไม่หลงไม่เอามาเป็นตัวเป็นตนในความไม่เที่ยงไม่เอามาเป็นทุกข์ไม่วิตกกังวลเมื่อนานย่อมเหนื่อยในในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระิพพานอันเป็นธรรมหมดจด สเพสังขาราทุกคาติยธ า, าปัญญาญปัตสติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อนั่นย่อมหน่หน่อยในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระ น, นิพานันเป็นธรรมหมดจดความทุกข์แท้ๆทำไมเกิดเป็นพุทธะพุทธะเกิดอยู่บนความทุกข์ความทุกข์ไม่เกิดความไม่ทุกข์เป็นพุทธะขึ้นมา ความหลงทำไมเกิดความไม่หลงเป็นพุทธะขึ้นมาความไม่เที่ยงทำไมเกิดเห็นแจ้งทใไมเกิดเป็นพุทธะขึ้นมาพุทธะหมายถึงตัวปัญญาไม่ใช่เกิดเป็นรูปเป็นตัวเป็นตนตพุทธะจริงๆคือธรรมะที่เป็นตัวสติตัวปัญญาเห็นพระวกลิเห็นพระพุทธเจ้าศรัทธาต้องไปกราบไปไหว้จับนิ้วมือจับชายกีวล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 ไม่ใช่ฉลาดเพื่อหลอกลวงตัวเองหลอกลวงคนอื่นฉลาดออกจากทุกข์เปลี่ยนความทุกขให้เป็นความไม่ทุกขเป็นเลีกุศลเปลี่ยนความหลงให้เป็นความไม่หลงเรียกว่ากุศลเปลี่ยนความโกรธให้เป็นความไม่โกรธเรียกว่ากุศลเปลี่ยนความไมตกกังวลอะไรต่างๆที่มันเกิดอุปทานที่เป็นยึดตัวมาันเป็นกุศลเป็นความฉลาด หรือพูดง่ายๆคือเปลี่ยนร้ายเป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกเป็นนักเปลี่ยนแปลงความล่ายเป็นความดีมาอย่างไรเปลี่ยนเป็นความฉลาดแล้วมันก็เปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนได้พอเรารู้สึกตัวไม่ใช่ไปยอมเช่นแต่ก่อนเรายอมมันมันหลงกับไ้กับความหลงมันโกรธกับไฟกับความโกรธมันทุกข์กัไปกับความทุกข์แต่นี่มันเปลี่ยนมันเกิดตา เกิดขึ้นมาเพื่อให้โลกเปลี่ยนเพื่อให้มันเปลี่ยนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนปฏิบัติคือเปลี่ยนคือกลับเปลี่ยนผิดเป็นถูกเปลี่ยนทุกเป็นไปทุกข์เรารู้สึกตัวเรารู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่พาให้พัฒนาเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นมรรคเป็นผลเป็นญาณเป็นฌานแต่รู้มากก็กําลังของความรู้นะเราถ้าจะ ผมเหมือนสิ่งที่เผาผมรู้สึกตัวเหมือนเผาเผ า, เผากินเลสเผาความโลภ ค, ความโกรธความหลงไม่ให้เหลือรู้สึกทีใดอะไรก็ตามถ้ารู้สึกตัวถ้าพลังแห่งความรู้สึกตัวนะกาจัดกินเลสจะทำทั้งหลายได้เช่นเราก็ใช้ได้แล้วตั้งแต่เริ่มต้นพอมันหลงทีใดรู้สึกตัวเนี่ยความหลงก็หายไป พอมันโกรธที่ไรรูสึกตัวความโกรธก็จะหายไปหรือเบาบางลงอย่างพระสะจิตาคามเมีก็ไม่ใช่เรื่องอื่นพระของพระสิกธิธาคาเมก็ทำลายความโลภความโกรธความหลงเบาบางลงหรือหมดไปสำหรับพระโสดาบันเนี่ยครับลายสกัิทิฐิ วิกิจขีขาสีรพตปรามาตสามข้อเท่านั้นความอะไรที่เกิดขึ้นกับกายไม่เอามาเป็นปัญหาเองเรงว่าสักกายทิฐิไม่มีตนอยู่ในกายไม่มีตนอยู่ในกายเรื่องของกายไม่มีตนเห็นแล้วสักกายทิธฐิไม่มีตนอยู่ในกายเรือว่าพระโสดาบันไม่เอาทุก ทุกต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายไม่มีตนที่จะเอามาเป็นทุกข์อยู่ในกายในลูกนี่เป็นปัญญาวิกิจคิดาไม่สงสัยแล้วเรื่องกายเรื่องจิตใจไม่สงสัยไม่มีความยึดมั่นถือมั่นไม่เป็นศิลพจน์ถือศักดิ์สิทธิ์ตัวเกิดเป็นปัญญาศีระเบิดประมาทกิงจังกับกายกับลูกกับน้ำไม่ใช่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 ความหลงก็ผ่านหน้าผ่านตาผ่านดวงตาภายในคือสติสัมปชัญญะเป็นดวงตาภายในเห็นแล้ว่ารู้แล้วก็ว่าได้รู้แล้วสิ่งไหนที่มันเกิดขึ้นนี่ไม่ใช่สติสติรู้แล้วนะรู้แล้วอะไรนะไปแบบนี่ไปทางนี่นะปฏิบัติธรรมมันเป็นทางดูควมรู้สึกตัวเหมือนทางควมหลงก็ เข้าลกเข้าพงไปคนที่เดินอยู่บนความรู้สึกตัวเหมือนคนเดินในบนเส้นทางที่ล่งที่เตียนแต่ถ้าคนไม่เคยเดินทางอยู่บนความเตียนมันก็ไม่เห็นความไม่เคยขินเช่นเวลาใดเขาหลงเขาก็ไปกับความหลงความหลงไม่ต่างไม่มีอะไรเปรียบเทียบพวกเราที่เคยปฏิบัติเคยเจริญสติแล้วนะ พอรู้สึกตัวรู้สึกตัวมาหนึ่งวันสองวันสามวัน5าวันเจ็ดวันมันจะเห็นความหลงต่างกันกับความรู้สึกตัวคนละมุมกนแล้วไม่มีใครที่ไปเอาความหลงเพราะเขาเคยรู้สึกตัวแล้วเหมือนเขาเดินทางเวลาที่เข้าป่าเขาก็ไม่เอาเ็ต้องกลับมาเดินเยาะฝนเส้นทาง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 เนพระโสดาบันพระอริยบุคคลสมัยขั้งพุทธเจ้าเป็นครวาา่าตญาณโยมีมากยังไม่ได้บวชบวชบรรลุธรรมล้วจึงมาบวชเกตสบเปอร์เซน์อย่างเป็นจ้าวิคีเนี่ยบรรลุธรรมเราจึงค่อยบวชยาสาวกนบุตรบรรลุธรรมล้วจึงเลยบวชหลายหลายรูปที่บรรลุธรรมแล้วจึงบวชทีหลัง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 สำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุ ธ, ธรรมมาขอบวชพระพุทธเจ้าบอกว่าเธอจองเป็นภิกษุมาเถิดทำวินัยเราตัดไปแล้วเธอจองเป็นผู้ประพฤติ ธ, ธรรมให้เป็นที่สิ้นทุกข์เถิดมีไม่มากแต่ว่าเธอจองประพฤติ ธ, ธรรมนะเถิดมีมากกว่าเพราะฉะนั้นการบารรลุ ธ, ธรรมนะอาจจะไม่ต้องใช่เพศสมัยความว่าจะเอาการปฏิบัติเนี่ยพวกเราก็สอนกันตรงๆเข้าไปแบบนี้ไม่ใช่มีพิธีรีดองอันได อาจจะมีวิธีสวดมนต์ไหว้พระพอให้เราได้สาธยายทําให้ตัวเองฟังอา่านสวดมนต์ไหว้พระสาธยายทำเองฟังใส่ใจที่จะว่าบทตอนไปต่างๆทําให้เกิดสมาธิได้การหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกตัวเป็นทําให้ฟอกอากาศฟอกปอดเป่าปอดทำวัดเชา่าทำวัดเย็น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 นี่การสวดมนต์ไหว้พระเป็นส่วนหนึ่งที่ให้เป็นส่วนประกอบไม่ใช่เรามาเอาดีตรงนี้เราเอาสิ่งที่มันจะถูกเก่งๆชนกันจริงๆจะเอกันจะยิงจะเอกับความหลงมันจะเกิดขึ้นทางไหนจะเอะแต่เตอเพือพบกันหน้าต่อหน้าตาต่อตามีสติรู้สึกตัวมีสติรู้สึกตัวเนี่ยต่อหน้าต่อตาตาต่อตาฝันต่อฝัน ความเป็นจริงเราต้องเป็นความเป็นจริงทาย่อมชนะอธรรมยอยู่เสมอแต่เรามาสร้างความรู้สึกตัวสร้างความรู้สึกตัวรู้สึกตัวไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นฐานตั้งไว้บ้านเรือนที่ไม่ฐานตั้งไว้ควีบเราก็ไม่ฐานเป็นที่ตั้งอย่าวางเลื่อนเลื่อนลอยๆอยเหมือนเสาหลักปกคีขนไม่ได้อะไรพัดไปก็เอ็นไป เสหลักประคีคนลมพัดไปทางไหนก็เอ็นไปทางนั้นความลักเกิดขึ้นกับไปกับความรักความชังเกิดขึ้นกับไปกับความชังความสุขเกิดขึ้นกับไปกับความสุขความทุกข์เกิดขึ้นกับไปกับความสุขไม่ได้ชีวิตเราไม่ใช่เป็นเช่นนั้นต้องเป็นศิลาแท่งทึบไม่เสถียรพ่อลมผู้ประพฤติทําไม่หวั่นไหวพ้นนินเทานาเสนอธนพะรารูมีฐานเป็นทิดตัง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 ไม่มีตึงไว้ให้แน่นก็หลุดพังลงไปเหมือนกับสร้างบ้านดีๆแล้วเอาไฟไฟเผาหมอดลงไปครึ่งบาปครึ่งบุญนะถ้าไม่ประพฤติทำมันครึ่งบาปครึ่งบุญ